เวลาเราเกี่ยวข้องอะไรก็ตามเราไม่ได้เป็นฝ่ายปรุงแต่งหรือว่ากระทากับสิ่งนั้นอย่างเดียวถ้าดูให้ดีสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเขาก็มาปรุงแต่งตัวเราด้วยหรือว่าพูดอีกอย่างก็คือว่าเขาก็มากระทากับเราด้วยอย่างเวลาเราจัดดอกไม้ เราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายจัดดอกไม้อย่างเดียวดอกไม้ก็ก็มาจัดใจของเราด้วยถ้าเราจัดดอกไม้ได้สวยใจเราก็พอยได้งดงานไปด้วยเหมืนทำนองเดียวกันเวลาเราจัดบ้านจัดห้องห้องไม่ได้ถูกจัดอย่างเดียวใจเราก็ถูกจัดไปด้วยเราจัดห้องสวยเป็นระเบียบห้องนั้นก็มากลับมาจัดจิตจัดใจของเราให้เป็นระเบียบคือโปร่งโล่งเบาสบายด้วยเหมือนกัน เวลาเรากินข้าวข้าวที่เรากินก็กลับมาปรุงแต่งเสริมร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆของเราข้าวไม่ได้ถูกกระทําอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็มากระทําเราด้วยนะกระทําเราในที่ที่หมายถึงว่าเขาก็มาปรุงแต่งเสริมสร้างให้เราเจริญงอกงามเวลาเราสร้างทางถางทาง ท, างทีแรกเราก็เป็นคนกําหนดว่าจะให้ทางเลี้ยวไปทางไหน ตรงเลี้ยวซ้ายเรี้วขวาแต่พอทางสร้างเสร็จทางนั้นก็มากําหนดเราว่าจะให้เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเราขับรถถ้าทางเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายถ้าทางตรงเราก็ต้องตรงถ้าทางเขาเลี้ยวขวาเราก็ต้องเลี้ยวไปด้วยทีแรกเรากําหนดทิศทางของเส้นทางของถนนแต่ตอนหลังถนนก็กําหนด ทิศทางของเราในทํานอนเดียวกันเวลาเราทํางานงานมันก็กลับมาทําเราด้วยคือกลับมาปรุงแต่งเราจะปรุงแต่งเราในทางบวกทางลบทางดีทางไม่ดีก็ขึ้นอยู่ว่าเราทํางานอย่างไรถ้าเราทํางานด้วยความใส่ใจงานนั้นก็มาปรุงแต่งจิตใจของเราให้ เป็นกุศลถ้าเราทำงานด้วยสติเอาสติใส่ลงไปในงานงานนั้นก็ส่งสติย้อนกลับมาทำให้สติของเราหรือใจของเราจเจริญเงกงามถ้าเราทำงานด้วยความขยันมันเพี้ยนความขยันก็ไม่ได้ไปไหนก็กลับย้อนกลับมาที่ใจของเราถ้าเราทำงานด้วยความรู้สึกที่เป็นบุญงานนั้นก็ทำให้ใจเราเป็นบุญมากขึ้นในทางตรงข้ามถ้าเราทางาน ด้วยความไม่ใส่ใจไม่เห็นคุณค่าของงานไม่มีฉันทาคือความรักงานนั้นก็ทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเป็นคนสับเพ่าทำให้เราเป็นคนเผลอเลยทำให้เราเป็นคนจับจดแล้วในเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็ให้เราระลึกว่าเราควรจะทำสิ่งนั้นด้วยสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราเนี่ยใส่ลงไปในงาน เพราะว่ามันจะไม่ได้ไปไหนหรอกสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็ย้อนกลับมาที่เราทำให้เราเป็นสุขทำให้เราเจริญงอกงามทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าบุญหรือบาป ก, ก็คือตรงนี้แหละก็คือว่าถ้าเราทำสิ่งต่างๆหรือเกี่ยวข้งของกับสิ่งต่างๆด้วยเมตตากรุณาสิ่งที่ เกิดขึ้นกับเราก็คือว่าใจเราก็จะเป็นบุญงานนั่นก็จะทำให้เราหรือสิ่งนั้นก็จะทำให้เรามีจิตใ จ, จที่เป็นบุญมากขึ้นบุญมันกลับมาที่เราแต่ถ้าเราทำสิ่งนั้นด้วยความรู้สึกที่เป็นบาปบาปมันก็ย้อนกลับมาที่เราทำให้จิตใ จ, จรเราเป็นอกุศลมากขึ้นเวลาเราทางานเ้าก็ให้เราเราลึกว่าเราถูกงานนั้นปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเราอยากจะให้งานนั้นปรุงแต่งเรา ไปในทางที่ดีแล้วก็ต้องทำงานนั้นด้วยความรู้สึกที่ดีๆเอาสิ่งที่ดีๆใส่ลงไปในงานมีชายคนหนึ่งเข้าไปในสำนักปฏิบัติธรรมมาบอกเจ้าสำนักว่าอยากจะมาสแสวงหาสัจธรรมอาจารย์ก็เลยบอกว่าดีเลยเง้นเธอไปทำครัว อาบน้ำผ่าฟืนทำความสะอาดชายคนนั้นพอรู้อย่างนี้ก็บอกสาลาเลยบอกฉันแมวแล้วะัันมาสแสวงหาสัจธรรมส่งฉันมาทำครัวผ่าฟืนแมวไปต่อมาก็มีชายหนุ่มมาขออยู่กับอาจารย์ บอกว่าจะมาสแสวงหาสัจธรรมเหมือนกันอาจารย์ก็บอกให้ไปทาครัวด่วยงานหาบน้ำผาฟืนเช่นเคยเหมือนกับที่พูดกับคนแรกคนนั้นทาอยู่ได้แค่วันสองวันก็ไปทำไมถึงไปทั้งสองคนนะเขารู้สึกว่าฉันมาสแสวงหาสัจธรรมฉันมาปฏิบัติธรรมฉันไม่ได้มาเป็นกรรมกรฉันไม่อยากจะมาทำงาน ต่ำๆอย่างนี้นะฉันต้องการแสวงหาสัจธรรมใกคนหนึ่งมีคนที่สา ม, มาหาอาจารย์บอกว่าไม่มีที่ไปอยากขอทำงานจะได้มีข้าวกินมีที่คุ้มหัวอาจารย์ก็บอกว่าก็ไปเลยนะไปทำครัวไปผผาฟืนไปหานน้ำคนนี้เขาก็ไปแต่ทำไปไม่นานปรากฏว่า ทำไปก็คงจะพอสมควรแหละก็คงจะเป็นปีอ่ะนะปรากฏว่าบรรลุธรรมได้ค้นพบสัจธรรมคำถามคือว่าอา้าวแล้วค้นพบสัจธรรมจากการทำงานได้ยังไงก็เพราะว่าชายคนที่สามนั้นเขาก็ตั้งใจทสามด้วยความขยนันทำด้วยความมั่นเพียรเอาสติใส่ลงไปในงานจิตจดจิตใจจดจด่จ อ, ดจออยู่กับงาน แม้จะมีสิ่งที่มันกระทบจิตกระทบใจก็สามารถที่จะปลดเปลื้องความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นออกไปได้นมยจะถูกดูถูกเขาก็ไม่ไม่ยี่ละไม่สนใจฉันก็ทำงานของฉันไปเมื่อทำไปเมื่อเอาสิ่งที่ดีที่สุดในจิตใจใส่ลงไปในงานงานนั้นก็ช่วยบ่มเพาะ จิตใจมังค่อยเจริญก้าวหน้ามีสติมีสมาธิมีความเพียรยิ่งขึ้นจนกระทั่งเมื่อปัจจัยสุงงองก็เกิดปัญญาขึ้นมาก็เห็นสัจธรรมเข้าใจสัจธรรมได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องการชี้เห็นว่าคนเราไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำด้วยสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็จะย้อนกลับมา มาปรุงแต่งให้ตัวเองนั้นเนี่ยจะเลยงอกงามได้บางคนไปเข้าใจว่าโอ้จะจะจะแสวงหาหรือจะค้นพบสัจธรรมได้มันต้องนั่งหลับตาหรือว่าสวดมนต์ภาวนาหรือว่าอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์อันนั้นมันก็มีประโยชน์แต่มันยังขึ้นอยู่ว่าเราทำด้วยท่าทีอะไรใจของเราสำคัญ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยู่ใกล้ใครหรือว่าอยู่หรือว่าทําอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ใจของเราว่าใจของเรานนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราใจเราเป็นกุศลใจเราเปิดกว้างมีฉันทะมีอิธิบาท4อิธิบาท4ก็คือฉันทะความชอบฝ่ายใจในงานมีวิริยะมีความเพียรมีจิตตะคือความจดจ่อใส่ใจมีวิบังคษาคือการพิจารณาทบทวนรู้จักใครครนูน ไม่ใช่แค่เพื่อให้งานสำเร็จเท่านั้นแต่ว่าเพื่อให้เห็นสิ่งที่ลึกลงไปบางทีก็ใคร่ครวรว่าเออใจของเราเป็นอย่างไรทำงานไปก็เห็นใจของตัวเองไปด้วยทำไปทำไปจิตใจก็สว่างเพราะว่าเขามีวิมังสาคือการดูจิตดูใจของตัวเช่นเราพยายามทาสิ่งต่างๆด้วยให้ดีที่สุดคำว่าดีที่สุดนี่มันก็พูดยาก เดี๋ยวนี้คําว่าดีที่สุดมันกลายเป็นคําแก้ตัวว่าฉันทําดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันที่สุดจริงหรือเปล่าก็ไม่ค่อยได้พิจารณากันเท่าไหร่คําว่าประโยค์ที่ว่าฉันทําดีที่สุดแล้วมก็เลยกลายเป็นคําที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไม่มีความหมายแล้วกลายเป็นข้ออ้างว่าฉันทําดีที่สุดแล้วหรือกลายเป็นคําที่ใช้เพื่อที่จะไม่ผูกพันกับอะไรเลยก็บอกว่าฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุด จะทำงานแค่ไหนก็ตอบไม่ได้บอกว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดคา พ, พูดแบบนี้มันไม่บอกอะไรเลยคือไม่ได้ผูมกมัดว่าจะทําอย่างไรจะทําแค่ไหนเหมือนกับพูดเหมือนกับคนที่มามาวัดแล้วก็บอกว่าจะอยู่นานเท่าไหร่บอกจะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆก็หมายความว่าพรุ่งนี้อาจจะไปก็ได้แต่คนที่ตั้งใจมาเขาจะบอกเลยว่าฉันจะอยู่3มเดือนเป็นอย่างน้อยฉันจะอยู่หนึ่งปีเป็นอย่างน้อยคนที่บอกว่าอยู่ไปเรื่อยๆหรือว่า ปฏิบัติทําไปเรื่อยๆฟังดูดีแต่ว่ามันอาจจะบอกว่าเขาไม่ไม่มีการผูกมัดอะไรเลยซึ่งก็หมายความว่าจะเลิกจะไปจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้สองสาวันเบื่อขึ้นมาฉันไปแล้วเพราะว่าฉันไม่ได้ผูกมัดว่าฉันจะอยู่นานเท่าไหร่อันนี้ก็ในคำ ว, ว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด บางเดี๋ยวนี่มันเป็นคำที่ไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าเป็นคำที่พูดไปเพื่อจะได้ไม่ต้องผูกมัด ก, กับอะไรหรือใช้เป็นข้ออ้างว่าฉันทําดีที่สุดแล้วฉะนั้นต้องกลับมาดูว่าเออเราจะทําสิ่งต่างๆด้วยจะเรียกว่าอิธิบาตสีก็ได้ด้วยความลักด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความจดจ่อด้วยความใส่ใจใคร่ครวนงานเนี่ยนะ ให้เราเราลึกว่าเวลาเราทางานเราไม่ได้ทาเพียงเพื่อหรือว่ามันจะมีผลเพียงแค่มีเงินมีอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีปัจจัยสีเท่า น, นั้นแม้ว่าเราจะทำงานเพียงแค่ให้มีเงินเดือนแต่ว่าในความเป็นจริงพอเราทำแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเมื่อเราทำแล้วเราก็ได้มีการพบปะกเกี่ยวข้องกับผู้คน ก็ทำให้เกิดมิตรภาพเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมานอกจากการมีอาหารมีปัจจัยสี่เพราะว่าได้มีงานทาแล้วมันก็ทำให้เราเกิดมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ที่สัมพัน์อีกข้อหนึ่งคือว่ามันมีผลต่อจิตใจของเราสามารถจะปรุงแต่งจิตใจของเราไปในทางดีหรือในทางไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเราฉลาดเป็นผู้มีปัญญาก็ควรจะหวังว่า งานนั้นควรจะให้ผลในทางปรุงแต่งจิตใจของเราให้ให้ที่ดีแล้วก็คงไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการที่มันช่วยลดละตัวตนของเราการทำงานเนี่ยเราควรหวังว่ามันจะช่วยทำให้ตัวตนของเราเล็กลงและการที่เรามีตัวตนเล็กลงมันก็ทำให้งานเนี่ยมันเป็นไปได้ดีขึ้น ถ้าเราทำงานด้วยกิเลสทำงานด้วยตัวตนต้องการสนองตัวตนของเรางานมันก็ไม่ค่อยดีนะสำหรับคนที่ตั้งใจจะทำงานก็ควรระลึกว่างานนั้นจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อเรารู้เท่าทาันตัวตนแล้วก็ลดละตัวตนของเราได้คิดถึงตัวเองให้น้อยลงอา จ, จเจาใจไปอยู่ที่งานหรือไปอยู่ที่คนที่เราเกี่ยวข้องมีเด็กคนหนึ่งเขาป่วย เป็นไข้ตัวร้อนจีดเลยอายุประมาณสักสสมัยก่อนมันก็ไม่มีเข็มฉีดยาอะไรมันก็มีแต่ยาน้ำกับยาเม็ดแล้วการารักษาแบบพื้นๆก็ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลหมอก็เอายาน้ำให้กินใส่ช้อนลินยาใส่ช้อนแล้วก็ยื่นช้อน เือให้เด็กเนี่ยกินยานั้นพอช้อนเข้ามาใกล้ปากเด็กก็เอามือเนี่ยปัดช้อนก็กระเด็นยาก็กระจายหมอก็ไม่พอใจก็ทําอีกทีลินน้ําใส่ชอ้อนแล้วก็จะให้เด็กเนี่ยกินยานั้นเด็กก็ปัดอีกครั้งที่สองนี่หมอบอกไม่เอาละเลิก หมอคนหนึ่งมาก็ทำอย่างเดียวกันพอยื่นมือเข้าไปยื่นช้อนเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆปากเด็กก็เอามือปัดพนก็หลุดยา ก, ก็กระจายเปื่นพื้นหมอคนที่สองก็ยังทำต่อยังไม่ลดละความพยายามทีนี้ก็บอกเด็กว่ามันไม่ขมหรอกยานเนี่ย กินแค่ช้อนเดียวเท่านั้นแหละแต่เด็กก็ไม่สนใจพอช้อนเข้ามาใกล้ปากก็ปัดอีกครั้งที่สมหมอก็ยามยิ้มให้แสดงความเป็นมิตรแต่ว่าก็ไม่เป็นผลเด็กก็ปัดอีกแต่หมอคนที่สองนี่ก็ยังไม่ท้อสามครั้งแล้วนะถูกปัดเนี่ยยามก็กระเด็นมาถูกเสือ้ออะคนนี้ ก็ต้องวานล้อมอีกครนี้นอกจากจะยิ้มให้แล้วก็บอกว่าน่ยาไ ม, ม่คมแล้วก็อ้าปากอ้าปากเหมือนกับว่าเชิญชวนให้เด็กนี่อ้าปากด้วยเหมือนกับเวลาแม่นี่จะให้เด็กกินข้าว แ, แม่ก็ต้องอ้าปากเพื่อให้เด็กอ้าปากตามแม่หมอนี่กลายเป็นเด็กไปเลยนะทำท่าทำทางมันก็เด็กพอช้อนจะไปถึงปากเด็กก็จะปัดแต่ครนี้ชะงักเลย งั้แต่ก็ยังปิดปากอยู่สักพักทนความตื้อของหมอไม่ได้ก็อ้าปากแล้วคราวนี้ก็หมอก็ให้ยากินจนได้เด็กพอกินยาเสร็จก็รีบห อ, อยหนีแล้วก็เอาหัวไปซุกหมอนเราดูอย่างนี้คงจะรู้ว่าเด็กนี้มีปัญหาก็าไม่ได้ป่วยกายเนี่ยป่วยใจด้วยมีปัญหาจิตใจเขาระแวงคนไม่เชื่อใจคนไม่เชื่อใจหมอ อนนี้หมอคนที่หนึ่งคนที่สองแตกต่างกันยังไงคนที่หนึ่งทำไปได้สองครั้งก็เลิกแต่คนที่สองนี่ทําพยายามทําทุกวิธีจนกระทั่งเด็กนี่ยอมแพ้หมอคนแรกนี่โมโหในใจเขาคิดว่าเนี่ยทำกับฉันอย่างนี้ทําไมทําไมถึงทํากับฉันอย่างนี้ฉันอุตส่าห์ตั้งใจดีแล้วทําไมถึงมาทํากับฉันอย่างนี้หมอคนนี้คิดในใจ พอคิดแบบนี้ก็เลยโกรธแต่คนที่สองเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นหมอคนที่สองเนี่ยคิดแต่ว่าทำยังไงถึงจะให้เด็กกินยาได้คนแรกเนี่ยมันมีคิดถึงแต่ตัวเองทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้ฉันดูซาทำดีกับเธอเนี่ยมีแต่ตัวฉันนึกถึงแต่ตัวฉันแต่คนที่สองนี่ไม่ได้คิดว่าทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้แต่เขาสนใจตัวเด็กว่าทาไงถึงจะให้เด็กกินยาได้ คนแรกนี่จะเรียกว่ายังมีตัวตนอยู่มากก็เลยโกรธก็เลยโกรธเด็กไม่พอใจเด็กแต่คนที่สองนี่เขาไม่ได้มีตัวตนเท่าไหร่พอใจเขานึกถึงเด็กเพราะเม่พ อ, อรันนึกถึงเด็กเนี่ยตัวตนมันก็น้อยลงนะแม้ว่าจะรู้สึกว่าเด็กไม่สุภาพแม้ว่าจะรู้สึกว่าเป็นหมอใหญ่แต่ว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรเพราะเขานึกแต่ตัวเด็กอย่างเดียว การคิดถึงคนอื่นนึกถึงผู้ป่วยเนี่ยก็ทาให้ไอ้ตัวตนมันก็พลอยเล็กลงหรือว่าไม่สำคัญไปแล้วก็สำเร็จจนได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆว่าเนี่ยถ้าเรานึกถึงตัวตนให้น้อยแล้วก็นึกถึงงานหรือนึกถึงคนอื่นให้มากเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้สำเร็จได้เรืองอยากยาก็ากกสาเร็จได้แต่ถ้านึกถึงแต่ตัวตนนึกถึงแต่ว่า เอาตัวตนออกลับกับปัญหาทุกเรื่องทําไมทํากับฉันอย่างนี้ทําไมพูดกับฉันอย่างนี้ต่อตัวตนขึ้นมาเป็นตัวตั้งเนี่ยแม้แต่งานเล็กเล็กก็ไม่สําเร็จเพียงแค่จะให้เด็กกินยาก็ไม่สําเร็จละเพราะว่าอาการของเด็กนั้นมันไปกระแทกตัวตนพอเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเอาตัวตนออกหน้าหต่ถ้าเราเอาเด็กเป็นตัวตั้งความเพียนก็เกิด แล้วเมื่อความเพียรเกิดก็สำเร็จจนได้เพราะว่าพยายามใช้ทุกวิธีแม้กระทั่งจะยอมทำตัวเหมือนเด็กอ้าปากให้เด็กนะรู้สึกว่าเออเหมือนกับมีพ่อมาป้อนให้ลูกเนี่ยเด็กก็ยอมจนได้ให้เราทำอะไรก็ตามเลยเพราะเราเป็นครูหรือว่าจะเป็นครูก็ตามจะเป็นคนสวนก็ตามจะเป็นคนครัวก็ตามเราจะมีความทุกข์น้อยลงแล้วเราจะทำงานได้ดีขึ้นถ้าว่าเรา นึกถึงคนอื่นนะเป็นหลักเป็นตัวตั้งไว้นึกถึงเด็กเด็กไม่กินขนมที่เราทำไม่เป็นไรเราก็ต้องคิดหาทางว่าทำไงถึงจะให้เด็กกินขนมที่เราทำให้ได้ถ้าเราเอาตัวตนเป็นตัวตั้งเด็กไม่กินขนมที่เราทำก็จะไม่พอใจฉันอุตส่าห์ทาเธอไม่กินเราก็เกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้านึกเหมือนกับหมอคนที่สอง ไม่กินก็ไม่เป็นไรก็ฉันก็ต้องพยายามคิดนึกหาวิธีให้เธอกินให้ได้เพราะว่ากินอาหารแบบนี้มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพนี่เราก็จ้องพยายามคิดนึกไปงานเราก็พัฒนาเพราะเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งในสุดเด็กก็ยอมจนได้เป็นครูก็เหมือนกันนะบางทีเราสอนเด็กเด็กไม่รับเด็กไม่ยอมเราก็ไม่โกรธเด็กเพราะาเราไม่เอาตัวตนเป็นที่ตั้ง เราก็ต้องพยายามคิดว่าเออลังเนื่องจากเราเด็กไม็ที่ตั้งเราลองคิดว่าทำงานยังงให้เด็กเข้ารับหรือว่าเขาร่วมมือด้วยแทนที่จะโทษเด็กก็มาดูที่ตัวเราเองว่าเออเราอาจจะทําไม่ถูกเราอาจจะยังไม่มีอุบายเพียงพอเหมือนกับหมอคนที่สองนี้ก็ก็ต้องกลับมาที่ตัวเองปรับปรุงวิธีการตัวเองจนกระทั่งลงตัวจนได้ส่วนหนึ่งหมอคนนั้นก็เข้าใจด้วยคือเขามีประสบการณ์เขาก็รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยต้องมีปัญหา การที่เด็กมีปฏิกิริยาก้าวร้าวหรือว่าไม่รับไม่ตอบรับไม่ตอบสนองการกระทำของคนอื่นเนี่ยก็เพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดกับคนอื่นมาก่อนเขาถูกรังแกก็ถูกเอาเปรียบเขาถูกกระทำก็จะถูกละเมิดเขาก็เลยระแวงแม่ก็ทางหมอทางออกมีทางเดียวคือต้องชนะใจเขาทาให้เขาไว้ใจแลตอนหลังก็ชนะใจจนได้ นะเพราะว่าไม่ได้เอาตัวตนไปทิศตั้งหมอไมไ่เอาตัวตนไปทิศตั้งอันนี้ก็ก็เป็นเป็นง่ายคิดนะสำหรับพวกเราว่าเวลาเราทํางานเนี่ยถ้าเราเอาตัวตนเป็นที่ตั้งน้อยๆหน่อยนะงานก็จะไปได้ดีก็จะสําเร็จเวลามีคนวิพากษ์วิจาร์แทนที่จะนึกว่าเขาว่าฉันเขาตําหนิฉันคิดแบบนี้เอาคือมันเกิดตัวตนขึ้นมาละแต่ถ้าเราเปลี่ยนคําถามสมัยว่าเออ ที่เขพูดนี่มันจริงไหมอันนี้เราความจริงเป็นตัวตั้งแล้วเราความถูกต้องเป็นตัวตั้งแล้วถ้าเราตัวตนเป็นตัวตั้งนี่เลยอัตตาทิพไตยมันก็ทุกข์แหละแต่ถ้าเราความจริงเป็นตัวตั้งว่าที่ก็พูดมาจริงไหมเรื่องความถูกต้องเป็นตัวตั้งว่าเออฉันทําดีขึ้นงานที่ทํานี่มันมันถูกต้องหรือยังมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะเพราะไม่งั้นมันไม่มีเสียงวิจารณ์อย่างนี้ก็ได้กลับมาดูกลับมาดูที่งานงานก็ไปได้ อย่าไปนึกว่าเรื่องของการระวางลดละตัวตนมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเราทํางานอะไรก็ตามมันก็มีความสําคัญไอการลดละตัวตนหรือว่าการหันกลับมาดูตัวตนรู้เท่าทียตัวตนก็สําคัญเหมือนกันมันก็ทําให้งานสําเร็จได้พอๆกับการที่จะบรรลุสัจธรรมก็ต้องอาศัยการระวางตัวตนอย่างนักปฏิบัติธรรมสองคนแรกที่มาแสวงสัจธรรมนี่ก็มาแสวงสัจธรรมก็จริงแต่มีตัวตนใหญ่มากเลย พอให้มาทําหาครัวแบกน้ําผ่าฟืนไม่เอาฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมทำไมมาทางานต่ําๆอย่างนี้นะเอาตัวตนขึ้นมาออกหน้ามันก็เลยเป็นทุกข์ก็เลยเลิกแต่คนที่สามคือไม่เอาตัวตนนําหน้าฉันมาไม่ได้คิดจะมาปฏิบัติธรรมแม้จะไม่ได้คิดมาปฏิบัติธรรมแต่ว่าเมื่อจากทาด้วยความรู้สึกที่ดีทําด้วยสติทําด้วยสมาธิมันก็กลายคนพบสัสจธรรมขึ้นมาเองจนได้พระเจ้า ก, ก็เปลี่ยนเมือนกับว่าแม่ไก่เนี่ยถ้าฟัก ไข่เนี่ยแม้ไม่ตั้งใจจะให้ไก่มันออกมาแต่ถ้าฟักได้ถึงที่มันลูกไก่มันก็ออกมาจากไข่จนได้ไข่ก็ฟักเป็นตัวจนได้แม้จะไม่ตั้งใจแต่ถ้าปัจจัยมันพร้อมมันก็ออกมาตัวเหมือนกับเราถ้าเราเหมือก็นักปฏิบัติธรรมเหมือนกับคนที่สามคนนั้นเนี่ยเขาทําครัวแต่เขาไม่ได้คิดจะแสดงัาศัจธรรมแต่เนื่องจากปัจจัยถึงพร้อมเขาทาด้วยความใส่ใจเขาทาด้วยความตั้งใจทําด้วยสติ ทำโดยอิธิบาท4ก็พบสัจธรรมจนได้สัจธรรมก็แสดงออกมาให้เขาเห็นหรือว่าปฏิบัติธรรมก็ได้เข้าใจธรรมะได้นการประการทํางานของเราเนี่ยก็ขอให้เราลึกว่ามันมีหลายมิติที่จะเป็นประโยชน์กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติทางกายเห็นการได้มีเงินเดือนเพื่อที่จะมีปัจจัยสี่เลี้ยงชีวิตละครอบครัวแล้วก็ยังได้เกิดมิตรภาพขึ้นมา ได้รู้จักคนมากขึ้นเปิดโลกกว้างมากขึ้นแล้วก็อีกประการสุดท้ายที่สําคัญคือว่ามันช่วยตัดกลาวจิตใจมันช่วยยกระดับจิตใจของเราได้โดยเฉพาะในเรื่องของการลดละตัวตนและถ้าเราทํางานด้วยตัวตนที่เบาบางงานก็สําเร็จได้เหมือนกันและงานที่สําเร็จนั่นก็ช่วยย้อนกลับมาที่ทําให้เรามีตัวตนที่เบาบางเวลา ง, งานสําเร็จก็จะไปนึกว่าเป็นงานของฉันเพราะว่า พองานมันล้มเหลวขึ้นมาก็จะทุกข์เพราะว่าไปเข้าใจว่าตัวฉันก็ล้มเหลวด้วยงานมันสําเร็จก็ถือว่าเป็นของธรรมชาติไปเราอย่าไปเป็นเจ้าของงานนั้นเมื่องานมันล้มเหลวเราก็ไม่ทุกข์แต่ไม่ใช่ไม่ทุกข์แล้วก็ปล่อยปะละเลยก็ไม่ใช่ก็กลับมาดูว่าเออจะทําให้มันดีได้อย่างไรทีนี้เราทํางานด้วยความยึดมั่นในตัวตนมาก งานของชั้นแผนกของชั้นโรงเรียนของชั้นวัดของชั้นมันมีของชั้นเต็มไปหมดก็เลยทุกก็เลยเกิดความขัดแย้งกับคนอื่นถ้าเราลดละความเป็นของฉันให้น้อยลงให้กำแพงตัว ต, วตวนมันต่ำลงต่ำลงการทำงานจะมีความสุขเมื่อเราเห็นคนอื่นแผนกอื่นสถานที่อื่นโรงเรียนอื่นวัดอื่นเขาเจริญก้าวหน้าเราก็พอยินดีไปด้วย เพราะว่ามันก็มีผลดีต่อส่วนรวมในที่สุดมีผลดีต่อเด็กมีผลดีต่อสังคมมีผลดีต่อประเทศชาติมีผลดีต่อโลกแต่ถ้าเรามีกำแพงตัวตนสูงนี่ของฉันพอคนอื่นเขาทํางานสำเร็จเจริญก้าวหน้าและ้ละคายกย่องเราก็ไม่พอใจอิจฉาขึ้นมาเพราะว่ามันมีการแบ่งเขาแบ่งเรา พยายามลดไลอ้ความสึกเป็นตัวตนให้น้อยลงเสริมสร้างความมุสึกเป็นหนึ่งเดียวกันให้มากแล้วเราก็จะมีความสุขเมื่อคนณ่เขาสำเร็จเราก็พอยินดีเรียกว่ามีเกิดมุทิตาจิตขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะเลือกไว้นะในการทำงาน